เป็นนิทานที่คนเท่าคนแก่เล่ากันมาจนถึงยุคปัจจุบันว่ากันว่าคนภาคเหนือหรือคนลานนาเรานี้เขาว่าการที่คนเหล่านั้นทําอะไรไม่สําเร็จหรือว่าเกิดป่วยเป็นโน่นเป็นนั่นเป็นนี่ทําอะไรก็ล้มเหลวเขาว่ากันว่าอาจจะเกิดจากการที่ปู่แถนย่าแถนนั้นแช่งให้เป็นไปบางครั้งก็ต้องมีการส่งแถนหรือว่าทําเครื่องคีกรรมให้แถนก็คือการสะกเคราะ เพื่อให้ครอบภัยต่างๆนั้นหายไปปู่แทนย่าแทนนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพญาแทนโดยไม่ได้บอกว่าเป็นชายหรือหญิงกันแน่ตามแต่คนจะเรียกมีที่พำนักคืออยู่ในพิภพโลกเราไม่ใช่อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าอะไรพญาแทนนี้อยู่ในถ้าแห่งหนึ่งถ้าแห่งนั้นวิจิตรด้วยแก้วเจ็ดประการงามหาที่สุดไม่ได้ ทีนี้ปู่แถนก็จะเป็นผู้แบ่งบุญแบ่งบาปแบ่งกรรมก่อนที่คนจะลงมาเกิดเป็นมนุษย์ทุกดวงวิญญาณจะต้องไปรับเอาที่ถ้าแก้วเจ็ดประการนั้นขายที่สร้างบุญสร้างบาปอะไรมาก็จะไปรับเอาที่นั่นพญาแถนมีหน้าที่จําหน่ายจ่ายแจกแบ่งบุญแบ่งบาปแบ่งกรรมให้ดังมีตำนานเรื่องหนึ่งเล่าว่านานมาแล้วมีชายสองคนซึ่งพ่อแม่ของทั้งคู่นั้นตายมาตั้งแต่พวกเขายัางเล็กๆ ทั้งคู่นั้นก็เลยอยู่ด้วยกันมาโดยการรับจ้างเลี้ยงบัวเลี้ยงควายจนอายุได้20ปีวันหนึ่งทั้งสองคนก็มาเจรจากันว่าพวกเราเกิดมาพ่อแม่ก็ไม่มีข่าขอมรอกอะไรก็ไม่มีเกิดมาทุกยากนะเนาะเราจะทํำยังไงกันดีเนี่ยยิ่งคิดก็วยิ่งน้อยใจตัวเองนะอีกคนหนึ่งได้ฟังก็บอกว่าโอ้ปล่อยไปตามเรื่องตามราบั้เถอะคนแรกจึงบอกว่า อยู่ไปอย่างนี้มันไม่ได้นะอายชาวบ้านชาวเมืองเขาเขามีกันแต่เราไม่มีทีนี้ชายคนแรกที่คิดหนักนั้นตกกลางคืนก็แอบหนีเข้าป่าไปหนีไปเป็นเวลานานมากจนชายผู้นี้ไม่รู้ว่าวันเวลาเปลี่ยนไปถึงไหนยังไงแล้วเขาก็ได้เดินทางไปเรื่อยๆจนไปถึงถ้ทองแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่สถิตยอยู่ของปู่แถนหรือท้าพระยาแถน ชายหนุ่มก็ได้เห็นฉัพพพันธ์ดังสีรัศมีแห่งแสงแก้วเจประการนั้นงามตาสว่างสวายออกมาจึงได้เดินเข้าไปดูให้รู้เป็นแสงอะไรใจก็คิดว่าไหนๆกูก็จะมาตายแล้วและจะไม่กลับไปอีกถึงเสือจะกินช้างช้างจะกินหมีหมีจะกินช้างกูก็มีกลัวกูยอมตายละขอเข้าไปให้เห็นให้มันถึงข้างในสักทีสิชายคิดหนักก็เดินเข้าไปในถ้ำ ทำนั้นเป็นที่เจริญหูเจริญตา ม, มากพื้นปูด้วยพรมประดับด้วยแก้วเจ็บประการผนังระดับประดาไปด้วยแก้วเจ็บประการด้วยชายหนุ่มก็เดินไปพบกับพระยาแถนซึ่งกาลังนั่งอยู่บนบันลังแก้วเมื่อชายหนุ่มเห็นดังนั้นเขาจึงยกมือขึ้นไหว้พระยาแถนและกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านเป็นใครมาจากไหนเนี่ยท่านมาทาอะไรอยู่ที่นี่หรอพระยาแถนได้ยินดังนั้นจึงตอบว่าเออ เรานี่ชื่อท้าพระยาแถนพระพรมส่งให้เรามาที่นี่เราเป็นผู้แบ่งบุญแบ่งบาปแบ่งกรรมให้คนที่จะไปเกิดในโลกมนุษย์ไปเกิดเป็นคนจะต้องมาจากที่นี่ไปทั้งสิน้นเกรดเสริมอีกนิดหนึ่งพระยาแถนนี้หากว่าใครจะไปเกิดนั้นท่านจะขีดเส้นบนฝ่ามือทั้งสองข้างของผู้ที่จะไปเกิดอย่างโลกมนุษย์เป็นที่มาของหมอโหราจารย์ทั้งหลายที่จะขอดูที่เส้นบนมือของเรานี้แล้วก็ทํานายไทยทัศน์ไปตามนั้น กลับเข้าเรื่องต่อทีนี้พญาแถนก็ถามชายคนนั้นอีกว่าเจ้ามาที่นี่มีเรื่องเรืงใจอะไรหรือเปล่าว่ายสาเจ้าข้าอยู่ในโลกมนุษย์นั้นทําอะไรต่างๆนานาก็ไม่มีความเจริญรุ่งเรืองเหมือนกับคนอื่นเขาเลยข้าก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรข้าก็หมายว่าจะมาตายให้มันรู้แล้วรู้ลอดไปเนี่ยชายหนุ่มกล่าวกับพญาแถนพญาแถนก็ว่าช้าก่อนใจเย็นก่อน ข่านี่เป็นเท้าแถนที่จะประสิทธิประสานพรให้ได้แต่ว่าจะประสิทธิประสานให้ได้นั้นคนที่จะได้รับพรจะต้องได้สร้างบุญกุศลสร้างคุณงามความดีมาแต่ชาติปางก่อนจึงจะสำเร็จได้ไม่ใช่ว่าคนทุกข์จะเลี้ยงให้สุขคนสุขมาเลี้ยงให้ทุกข์อย่างนี้ไม่ใช่เจ้ามีความประสงค์อันใดบ้างไหนลองบอกมาสิเออข่านี้ก็หนึ่งขอให้ได้เป็นมหาเศรษฐีมีเงินมีทองมีช้างมีมา้า เมื่อเสรษฐีทั้งหลายครับและสองขอให้ได้ลูกเมียที่สวยงามเท่านี้ละพอและขอรับเอาเท่านี้หรือชายหนุ่มพยักหน้าจากนั้นท้าพญาแถนก็สร้างเมียก่อนท่านเอาได้32เส้นและแต่ละเส้นก็มี32สีเอามาผูกรวมกันเอาได้แต่ละเส้นไปผูกที่ข้อมือของนางต่างๆในถ้าที่ท่านได้สร้างไว้ไม่ให้ใครเห็น ได้แต่และเส้นนี้จะมัดข้อมือของนางต่างๆเอาไว้นางงามที่สุดก็มีไม่งามก็มีขี้เร่มากก็มีพี่กงพิการก็มีเป็นคนเท่าคนแก่ก็มีและท่านก็บอกกับชายหนุ่มว่าถ้าว่าเจ้ามีบุญมาก่อนก็จะได้เลือกเอาว่าจะได้เมียงามหรือไม่แต่และเส้นจะมีนางต่างๆอยู่ที่ผูกข้อมือไว้แล้วคนงามนั้นจะมีเพียงหนึ่งเราให้เวลาเลือกสามวัน ชายหนุ่มก็เลือกเอาเต็มที่เมื่อครบสามวันก็เอามาเส้นหนึ่งพระยาแถนบอกว่าเจ้าจงเดินตามเส้นที่เจ้าเลือกดิไปเถอะเดินไปเรื่อยๆนะจากนั้นชายหนุ่มก็สาวได้ที่ผูกแขนไว้เข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเข้าไปในถ้าจนไปพบกับนางผู้หนึ่งเป็นนางงามหาที่เปรียบไม่ได้เท้าแถนก็กล่าวว่าอันตัวโบราณกรรมนะ่ะอันชาติที่แล้วเจ้าได้รักษาศิลห้าศิล8ดมา จะได้เมียงามเออเมื่อได้เมียงามแล้วยังจะเหลือข้าวของสมบัติจากนั้นท้าวแถ่งก็เอาเครื่องช่างมาเอาเจ้าขึ้นมาชั่งน้ำหนักซิเจ้ามีน้ำหนักเท่าไรเราจะเอาให้เท่านั้นแหละชายหนุ่มได้ฟังจึงขึ้นไปบนตาช่างพญาแถ่งก็คิดคำนวณดูว่าเท่าไหร่และก็บอกกับชายคนนั้นว่าโอ้ข้าวของที่เราเก็บไว้ห0 0พันรรษาเราจะได้มอบให้เจ้านี้แล้ว เจ้านี้ชาติก่อนได้สร้างบุญไว่มากมายนักชาตินี้เจ้าจึงได้มาขนเอาของของเจ้ากลับไปและแล้วชายหนุ่มคนนี้ก็ได้ขนสมบัติอันมากมายกลับไปบ้านของตนเองพร้อมกับจุงเมียสาวงามกลับไปด้วยทีนี้สหายคนสนิทก็มหาชายคนนี้ที่บ้านก็ไปเห็นทรัพย์สมบัติอันพร้อมกับเมียที่งดงามก็เอ่ยถามเพื่อนตนว่าดีดีดีดีสหาย จะไปเอาทรัพย์สมบัติช้างม้าวัวควายหรือสัปปรพสิ่งของเหล่านี้มาจากไหนพร้อมกับได้สาวงามปานางฟ้านี้มาได้ยังไงชายหนุ่มคนแรกจึงได้เล่าเรื่องราวความเป็นไปต่างๆให้กับเพื่อนสนิทฟังเมื่อได้ฟังเรื่องราวจากเพื่อนสนิทแล้วคืนวันนั้นเขาจึงได้ไปที่ทำทองของเท้าแถนเขาก็ไปหาพระยาแถนทําเหมือนกับที่สายของตนนั้นบอกทุกอย่างพระยาแถนก็บอกว่าเออข้ามีแก้แวแหวนแสนสิ่งให้ แต่ว่าการที่จะให้นั้นสุดแต่เจ้านั้นได้สร้างบุญวาสนามานะจะให้มากให้น้อยนั้นเราไม่รู้และแต่บุญที่เจ้าทำมาตั้งแต่ชาติปางก่อนนะอา้าวจะเอาอะไรก่อนเมื่อชายหนุ่มได้ยินเช่นนั้นจึงบอกว่าผมจะเอาเมียก่อนครับพญาแทนก็เอาได้มาให้เลือกแบบชายคนแรกชายคนที่สองก็เลือกเอาอย่างจริงจังจนครบ3วันชายคนที่สองนั้นก็สาวได้เข้าไปดูสาวได้เข้าไปดู เมื่อสาวได้ไปจนสุดทางพบกับข้อมือของผู้หญิงนางที่เลือกแล้วก็ถึงกับตะลึงในความงามของนางอย่างหาที่สุดไม่ได้ทั้งฟันเยิ้มแถมบางซี่ร่วงด้วยผิวหน้านั้นเหมือนกับน้ำป่าที่ไหลหลากจากดอยและเหลือแต่ซากเอาไว้ขาทั้งสองข้างไม่เท่ากันอีกต่างหากดวงตาของนางนั้นเป็นประกายแวววาวแต่ตาดาทั้งสองข้างมารวมกันอยู่ที่หัวตาหูดังช้างสารรูจมูกเหมือนกับถ้า ที่กว้างโอง่โถงอ้วนต่ำเนื้อแน่นเหมือนโคถึกชายคนนี้หันมามองพระยาแถนทันทีแล้วกล่าวว่าทำไมของเพื่อนผมมันถึงได้สวยปานนางฟ้าอย่างนั้นนะ่ะและทำไมของผมถึงเป็นอย่างนี้ฮาฮาฮอันนั้นเขาได้รักษาสินห้าสินปดมาเขาได้มีงามเพราะเขามีวาสนาดีส่วนเจ้ามีมาเท่านี้แหละอันนี้ตัวโบราณกรรมของเจ้านะชาติก่อนเจ้าได้ถวายทานเข้าเย็นแกงบูดมานี พวกเจ้าได้มาเจอกันก็ยอมรับกันเสเถะแล้วเงินทองเดาท่านเมื่อไหนๆ ไ, ไม่มีทางเลี่ยงแล้วจึงได้าหันมาหาสมบัติบ้างเอา้าจะเอาเงินเอาทองเด้อเหรออาได้ได้ได้ได้ไดไดพญาแถนก็ให้ชายคนนี้ขึ้นนั่งบนเครื่องตาชั่งแล้วก็เอาแก้วแหวนเงินทองมาทวงอีกด้านเมื่อพญาแถนเอาแก้วแหวนเงินทองขึ้นวางช่างเครื่องชั่งก็กระเด้งอีกด้านหนึ่งขึ้นชายคนนี้ก็เกือบจะกระเด็นเมื่อพญาแถนทวงดูน้ําหนักอย่างนั้นแล้ว ก็ค่อยๆเอาทองเอาแก้วแหวนออกทีรนิดเพื่อจะได้ถ่วงให้มันสมดุลกับชายคนนี้หยิบออกหยิบออกจนพยาแถนเอ่ยขึ้นว่าโอ้ทําไมมันเบาเช่นนี้เนี่ยทําไมทําไมทําไมเราถึงได้ทรัพย์สินงินทองน้อยน้อยน้อยนอยจังเลยล่ะท่านเพื่อนของเราทําไมมันถึงได้มากมายมากมายขนาดนั้นล่ะท่านท่านลําเอียงหรือเปล่าชายหนุ่มถามเจ้านี่เมื่อชาติก่อนนั้นไม่ได้สร้างบุญคุณงามความดีอะไรไว้เลย ไม่ทำตนให้เป็นประโยชน์กับบ้านกับเมืองไม่ทำบุญเข้าวัดเข้าวาฟังพระธรรมคำสอนเห็นแก่ตัวชอบลักขโมยของคนอื่นลักเล่นชู้สู่เมียท่านส่วนของเจ้าที่ด้นั้นเอา้าเจ้าได้ทองคําได้เท่าที่บุญเจ้าสั่งสมมา น, นี่แหละขนาดทองเม็ดรประกาศนี่แหละพญาแถนพูดจากนั้นก็มอบทองเท่าเม็ดประกาศให้กับชายคนนี้ชายคนนี้จึงต้องกลับบ้านไปพร้อมกับความผิดหวังแต่ก็ไม่ผิดหวังสัทีเดียว ก็ยังได้เมียกลับไปอีกหนึ่งคนนะนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าของทุกอย่างหรือของบางอย่างนั้นบุญกรรมทุกอย่างหากเราไม่ได้ทำขึ้นเองก็ไม่มีใครทำให้เราได้หรอกทั้งกรรมดีและกรรมชั่วก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับความบันเทิงนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ